แต่บัดนี้ท่านนิพพานไปแล้วเราก็ยังเป็นประเพณีมาเฝ้าท่นอยู่เฝ้าเวรรับฟังโอวาทที่เราสวดมนต์นั่นแหะเป็นคำโอวาทู้ฟังอนิจังเจนต้นเนี่ยเป็นโอวาท แ, แต่เราทั้งหลายที่น้อมเลืนไปปรทับใจในการสวดสายชัยมนต์ดนลาขาถารมวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธสาวพรธรรมเจา้าพระสงฆ์เจ้า และน้อง ม, มาปฏิบัติธรรมในตัวเราเรียกว่าทำวัดในจะเอาเมื่อกขวานมาช่วยกันทำแต่เอามาฝากในหัวใจเราน้องนี่จึงเป็นผู้ตระเพณมีศิษเรามาว่าจําป็นเราจะต้องเข้าฝ่าระทวิตเจ้าของเราเพื่อหาทางสืบขยายคํำสอนของท่านและนึกถึงพระคุณของท่านที่กันพิรีพานไปที่นานแล้วก็ยังฝากถ้าทำวินัยให้แก่เราปฏิบัติ ฝาผู้ใดรักษาคดบูชาสถาคดโวยปฏิบัติธรรมนี่แหละถูกก็ฝากธรรมวินัยไว้กับทุบายกัดแล้วจงช่วยการรักษาช่วยกันปฏิบัติก็ไปเชิดเรียกว่าทำวัดตรวจมดขอฝากขั้นไว้ชังชังหลายไว้ตรงนี้ตอนนี้ไปก็จะได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราในด้านลูกประทมและนามธรรม ในกิจกรรมของเราสืบไปน้อมโน้มจิตใจมายังพระตัวพุทธเจ้าปฏิมาการรมเปรียบเหมือนมือทั้งหมคกลาสารีบุตรครบในที่ประทับนี้สืบไปณโอกาสบัดนี้ที่เราได้มาเกิมนต์ภาวนารับธรรมาฐานเพื่บอบมเพ็ญสินที่รับสินงแล ความเพลงประโยชน์คือธพรธรรมฐ า, านเดี่ยวนงิกขาภาวนาแนวทางปฏิปทานคือของพระพุทธเจ้าของเรานั้นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นของการปฏิบัตินี้เนี่ยยึดแนวหลักปฏิเป็นตัวสนคัญปฏิปทานคือก็มีสี่ข้อ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ยังไม่เข้าใจแนวปริยัติและข้อปฏิบัตินี้ก็ตามตรงท่องความหมายนี้ก่อนว่ากายานิปกัจนาปฏิปทานข้อที่หนึ่งหมายความว่าอะไรท่านจะแปลกลับว่ากายนกายนี้กัจฉวก า, ายไม่มีตัวบุคคลเราเขาเป็นกายานีกา้กัจนาเป็นต้น แต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วนะให้เอาสติเอาจิตเพ่งดูกายยืนเดินนั่งนอนเหลือซ้ายเหลืขอขวาจะกู้เหยียดเหยียดขาต้องถิดตามผลสือใช้สตินี่เองดูร่างกายช้งขานต่างๆเป็นก้อนอันนี้เรารู้ไว้เรื่องต้นตอนข้อหนึ่งเวทนานีกอดชนาทิ่แตฐานข้อที่สองเราจะได้ทราบไ่เวทนาคืออะไร เวทานาแปลว่าทนไม่ได้บัญชาการไม่ได้ต้อเป็นการแต่ภาพนี้ถ้าเป็นเป็นธรรมชาติอย่างนี้เทอะไรเวทานาแปลว่าอะไรไม่อยู่ายาา ส, ส, าายสามประการนี้กันเวทนาข้อหนึ่งได้แต่สุขก็เวทนาทุกขเวทนาเดือดขาเวทนาต้งสามประการนี้ สุดมุ่งหมายก็ต้องการที่จะให้สติไปพิจารณาเวชนา น, นั้นเช่ดีใจก็ดีเรียกว่าสุกกายสุกทางกายสุกทางใ จ, งใจอันนี้เรียกว่าสุขแล้วก็ทุกกายทุกใจเรียกว่าทุกทางด้านกายและใจเรียกว่าทุกเวชนะอุเบผาเวชนะ ก็เรียกว่าไม่ทุขไม่ทุกข์จิตใจที่มันจะเลื่อนลอยหาที่เกาะไม่ได้เรียกว่าอเบกขาเวทนาวิธีปฏิบัติจะต้องใช้สติกําหนดคือตั้งปติยาฤทธได้เป็นต้นดีใจก็ให้กําหนดกําหนดอย่างไรหรือกําหนดที่ลิ้นตีหายใจยาวยาวจะสมูทถึงสะดุ้ได้ หายใจขึ้นลงยาวๆกำหนดว่าดีใจหนอดีใจหนอทำไมต้องปฏิบัติเช่นนี้ล่ะก็ทำว่าดีใจและสุขกายสุขใจนั้นเหลือก็ทุกข์อีกทุกเกลือไปในความทุกข์อย่างนี้เพื่อความไม่เป็มาของชีวิตของเราจะต้องรู้ร่วงหนาะรู้ในปัจจุบันในการกำหนดจกงก็กำหนดที่ลิ้นไป บ้งคนบอกให้กจำหนอดผู้วิจัยผูกที่ไหนผู้วิจอยู่ที่ไหนรกระจายได้อันนี้ผู้ปฏิบัติยังไม่กลองรับรู้วิช า, าการที่ในบดปฏิบัติตรงนี้ได้ไอ้อลิ้นตื่นไปเป็นหววพุ่งมะเร็งคลาดไปเข้ามอทุกคนใครแปลผ้าการปฏิบัตินี้เนะี่ยไม่ใช่การวิจัยไม่ใช่ประเมินผลแต่เป็นการให้ปลุดขึ้นมาเองโดยปกติ ธรรมดาเนี่ยงั้นใารสะาอาดขุดขึ้นมาได้รู้เชิงรู้จางรู้ปัดจัดจงเวทีจัดโพวิญญูคือให้รู้กันมาเองทำมารู้เองเนี่ยทยายากรู้ชาการทําทงานหาในเสรีท่ อ, องได้ก็ได้แต่รู้เองให้มันการสะาอาดขึ้นมาเนี่ยรู้ยากทำไม่จะรู้ได้ง่ายก็ต้องปฏิบัติขึ้นมาดาีใจเสียใจ มีข่าวความสุขกายสุขใจอย่าประมาทเลยเล่นนะลองต้องการสติทุกอริยบทตามกำหนดกำหนดจิตนี้หมายความว่าให้กลางสติเป็นวิธีปฏิบัติสำมชัญญะมีความรู้ตั ว, วอยู่ตลอดปัจจุบันอย่างนี้เป็นตอนถ้ดีศไม่เอาอนาคตเน่ให้เอาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้โดยข้อปฏิบัติงา่าย ถ้าเสีใจมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีสองหย่างทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแต่อะไรมันไม่อยู่ที่จิตใจเลยมันอยู่ในข้อนี้ทึงก็คำนอดทิ้งไปเองเสียใจหนอเสียใจหนอหายใจลึกๆยาวเสียใจเรื่องอะไรเป็นการต้อนขออมูลไว้ให้ถิดจ้องในสตินี่ระลึกได้ ก็หมายตัวแจงงานหมายเหตุที่มาของทุกข์ัวสัมัญญะเป็นตัวบอกให้รู้ให้มีความเข้าใจเรื่องวจน า, ารู้ทายทานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั่นเืมาะเรานี่จึงต้องกำหนดที่เวทนานี้ปวดเมื่อยเป็นเวทนาทางด้านกายแต่ถืออดไปก่ออุปาทานยึดมันมั่นก็ปวดใจไปด้วยเห็นเราเสียใจ ร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคภัยเขตริดสุดมันก็เกาะที่เข็บนั้นจึงต้องให้กําหนดเนื้อที่ความไม่ธรมาด้วยความไปวิธีฝึกปฏิบัติก็กําหนดโดยนานนั้นัวตัวกข์เภาปวที่ไหนก็ตามท้องการกําหนดให้ตัวกําหนดนี่เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวระลึกเอาจุดไปสู่จุดนั้นตัวผู้ภาฐานยิ่งมา ก, ก่อน ว่าเราจ ะ, รจะก้าวมันไดก็ต้องเกาะยึดเราจะก้าวต่อไปก็ต้องปล่อยนี่ อ, อุปาทานการใหม่นี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐ า, ายึดก่อนแล้วก็จะปล่อยไปก็เป็นเรื่นาเป็นต้นนีเราจะฆ่าจริงถึงจะเป็นมิปัาชนาขึนนนาาา้นมนาแต่ไปล้างเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องคอใจนี้ก้องกหนด ส่วนใหญ่ไม่เคยกำหนดการจึงไม่รู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายอย่างนั้นในความสุขทางไหนก็ตามเดี๋ยวจะทุกข์อีกมีอางนั้นแก้ไม่ได้ก็อย่างนี้นไปที่ไหนต้องแกที่นั่ น, นไม่แก้ไปแก้ที่อื่นหาเหตุที่มาของมันถือกติกตอนี้เป็นตัวกําหนดเป็นตัวหาเหตุเป็นตัวแจงเบี้ยบอกให้รู้มาทั้งหอน ตัวสมัมมาชัญญะรู้ทั่วรู้นอกรู้ในนั่นแหละคือตัวปัญญาความรู้นั้นเกิดขึ้นตัวสมาธินี่ก็หมายความจากสิบนั้นไม่ได้เป็นเรีนาปวดเมื่อยเป็นอุปสรจัต่อการปฏิบัติมากจึงก้องให้กำหนดไม่ใช่หมายความกำหนดเ้วมันจะหายปวดแต่หาไม่ได้้องการจะใช้สติไปควบคุมดูจิตที่มันปวด เพาปวดนี้เราก็ายึดมันติดก็ไปปวดด้วยเลยก็าการให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาเพราอุปาทานไปายึดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้อนจดมุ่งหมายก็ต้องการไอากสติไปดูไป้วกคูมจเดวันนันปวดมากแท่ไหนเป็นอาการใดจดม่งหมายอยันนั้นมีความหมายอย่างนั้นกูเบขาวเวชนาไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็ลอยหาที่เกาะไม่ได้ ใคก็ลอยแต่ละมือมองหงคนไปสองคนไปยลุวจึงต้องกำหนดอี่เบขาเวชนากำหนดที่ไหนกำหนดที่ลิ้นเืียหายใจยาวๆลึกๆสบายๆแล้วก็ตั้งสติระลึกก่อนกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอพอเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดครบ ปอนข้อมูลอย่างนี้เรียกว่าปอนข้อมูลมันรู้หนอรู้หนอเดี๋ยวสติก็รวมยึดมั่นในจุด จ, จิตก็จันใจแล้วความทุกข์นั้นก็จะหายไปแล้วเบิขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนใหญ่จะประมาทลาดช่างได้ถึงต้องมือสติทุเรียบทดังก่านี่เป็นต้อง งอเหนือจากนั้นจิตกลางนิปัสนาสุจิปฐานกอที่สามต้องท่องให้ได้ทําไมเรียกว่าจิตกลางนิปัสนาสุจิปฐานฐานของจิตต้องยึดในฐานพักนี้จิตเช็นธรรมชาติจิตขึ้นอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เหมือนเชื้อปติเสียงเกิดที่ไหนปัญหาเกิดจิตภูมพัฒนาจิตต้องรู้รู้เกิดของจิตจิตด้วยอันนี้ตามสรัส ตามหลักของวธทยศาสนาเรียกว่าจิตเกิดทางไหนเดี๋ยวท่านจะรู้วิธีพัฒนาจิตต่อไปด้วยจิตเกิดทางไหนก็เรียกทางอิงทอนทรียาจานยณะค่าอินทรีย์นี่เองมีความหมายจะพูดเป็นภาษาไทยครับต า, ายเห็นโลกเกิดจิตที่ตาหูยิงเสียงเกิดจิตที่หูเพราะมันกำบัดต่อโมได้ถึงเกิดจิตที่มกมูลิ้นรับรถเกิดจิตที่ลิ้น การสัมผมัสล้อนิ้หนาวอ่อนหรือแขงที่นางตาเกิดจิตทางตาก็เรียกว่าจติตตาหรอปัจจนาจิตปัะจานาวิธีปฏิบัติทำอย่างไรวิธีปฏิบัติทำอย่างไ ร, งไรก็ทำอย่างนี้ที่มาของจุดรู้แล้วมันเกิดทางตาตาเห็นเห็นอะไรก็ออกตั้งสติไว้จับจุดและทีนาาับผ่าอุณลมมาปยชา ย, ยเตกดสมให้มันถูกเหมือนเรากด ไอ้เสีื่องบวกเลกเปรื่องหายมีชอ็ อ, อกดตมไมไ่ถูกแล้วมันจะออกมาเครื่องคอมพิวเตอร์เนจะตีออกมาอย่างนี้เห็นหนอเห็นหนอเห็นไรเห็นโลกโลกอยู่ที่ไหนแตภาพลูกเป็นยางไงลูกนั่นเป็นของผันแปรตัดออกหล่อพวงได้เลื่องย้ายได้ทุกระการเรียกว่าโลกเป็นเรื่องสมมติ แล้วเป็นเรื่องทำลายได้เกิดเชื่อนกลางอยู่แล้งดวลดับไปสรูปกองกาหนดนอปฏิบัติจะทิ่งพอ น, นี้ไม่ได้ในจิตกลางปรกชนาจิตฐานเป็นธรรมชาติของจิตเกิดที่ตาเกิดแลด้วกาหนดไม่ใช่ว่าเราแสบไปหากาหนดข้างนอกตาเงไปที่ไหนมันเห็นอะไรก็กาหนด เ, เห็ น, หนอ๋อทำไมต้องกาหนดด้วยเพราะจิตมันเกิด ตาสัมผัสกับรูปเปิดจิตในเมื่อกอดเึ่นแล้วเหวินของเหล่านั้นเรายังไม่มีปัญญาเราชอบไหมชอบเปโหรพไม่ชอบเป็นโทสะเราไม่ใช้สติเลยกลายเป็นคนโมหะรู้ไหมครึงรู้แต่ตาเนื้อไม่รู้ตาในโลดูด้วยปัญญาไม่ได้เลยดูด้วยโมหะคนเรามันจึงเลอะเทอะเถื่อนไปดังที่กล่าวแล่า ต้องใช้สตินี่พ่อจิตดาวนิก่อนาธิปฐานเป็นธรรมชาติทังจิตต้องพัฒนาตรงนี้ต้องกำหนดทุกอรีบทหูยิงเสียงหูกับเสียงอย่างไรใกลแค่ไหนอย่างไรไม่กองไปประเมินผลในกองวิจัยห้ามห้ามเ็เหตุไดเพราะมันจะเป็นยิปัสนุ้อปกเนื้อขึ้นมาก็วิจัยกามิชาการแล้วก็ไม่หย เราก็ฟังสติไว้ที่หูฟังเสียงหนอล้วฟังเฉยเฉยไม่ได้หรือก็กําหนดด้วยถ้าเราไม่กําหนดเราจะขาดสติไอ้ตัวกาหนดนี่แต่ตัวฝึกสติไอ้นิสสตอยู่ที่หูจะได้รู้ว่าเสียงอะไรเสียงหนอเสียงหนอกาหนดเสียงเฉยเฉยได้ไหมได้จะไม่ดีได้สบาย หนอตัวนี้เป็นการล้างผิดให้มีอกติบดูมีความหมายอย่างนั้นคำว่าหนอตัวนี้เป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาฝลังไม่ใช่ภาษาไทยหอหนอเสออเขเรียกว่าหนอดีมากเราจะบอกว่าเสียงหนอที่ยื่นมันล้างผิดได้ดีมากมือกติดีในการฟังระลึกกเหมอว่าเสียงเขาด่า เสียงเขาว่าหรือเสียงเขาแสนเสินเย็นยองจะาำได้ห้สัมปชัญญะตัวรู้ว่าเสียงนี้ของเด็กอเสียงนี้ของนังขอมาพูดเรื่องอะไรเพว่าเขาติดกระเจงบี้หายเหตุที่พูดทําไมเขาจึงพูดขึ้นนี้ตัวสัมปชัญญะมันก็บอกกับเราว่าขอเขาพูดเนี่ยเพื่ออิจฉาเรามด่าเร า, ม า, า, เรามาว่าเรา แล้วสติบวกกับม่ัญญาเป็นตัวคิดของปัญญาปัญญาก็แสดงออกคอมพิวเตอร์ตีออกมาว่าเสียงนี้ไรประเสริฐเกิดเชื่อมกลางอยู่ดับยูบไปกันทีที่รู้เลยก็ไม่ต่อเนื่องก็มาในภายในชีวิตเราก็มีการเข้ามองใจก็ข้อคิดนี้เพราะงั้นนักปฏิบัติต้องกำหกนดนี้ไม่ใช่เดินกรอกงอเนียงปฏิบัติท้องหนอยยุหน อ, หนอใช้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้น ตรงนั้นเป็นตัวสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีพลังกิตของข้อบคลิ ก, อ ก, ก, รร ก, กรรของวิทยาศาสตร์านอยูประมาณหนึ่งต่างหากผููปฏิบัติต้องเริ่มต้นโดยอายุบทต่างๆพลังจิตจิดเกี่ยวตั้งหูถ้าเราสร้างเครื่องได้ดีแล้วป้องข้อมูลถูกสร้างระบบถูกข้อมูลในจิตคืออารมณ์เราเก็บไว้นานนักหนาแล้ว ที่ขายไม่ออกแข่งไวในอารมณ์ชโลภะโสดโมหะทำให้จิตใจเข้าหมองไม่ชานานไม่สงสัยจึง ก, งก็กำหน ด, ดอย่างนี้เสียงหนอเสียงหนอไม่ใช่คนี้พอเนะีเสียงเขาด่าใช่แล้วถ้าเรามีสมาธิดีจะสมหน่วยจิดกติกฐานสูตรไว้ชัดเจนเสียงหนอก็รู้แลละ ขอข๋อเขาดา่าเราด่าเราตรงไหนมีตัวตนตรงไหนบ้างถึงก็ถูกด่าและเจ็บคําน้าใจคงนี้เราก็ใช้ปัญญานี้เองฟังข อ, ขอ๋อเขาด่าด่ามาโดยสมมติว่าดา่าเราคิดว่าอย่างนั้นแต่เราอยู่ตรงไหนก็นหาตัวเราไม่ได้ตัวเราไม่มีอย่างนี้คือปัญญา ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลแต่เป็นโดยมดสมมติขึ้นมาที่พรดาด้านั้นแล้วก็แพรตัวเปลี่ยนแปลงสภาพของมันแล้วก็หลุดไปดับมูกไปทที่ฟูอันนั้นก็หมดขึ้นไปเนี่ยเกี่ยวตัวปัญญานักปฏิบัติต้องกำหนดทุกอริยบทเป็นการฝึกเป็นการดับนิใจให้ใคอยสูตรมุ่หมาย็้อ่มีปัญญา เห็นความเคยชินจากกาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ผู้จะมีไทคก็ทําได้ใครก็รู้แต่ปฏิบัติจริงๆไม่ได้เพราะไม่ใคยกําหนดเลยปล่อยมันเลยได้หมดเลยๆก็ามาถึงจิตใจในภายในจุดหรือประตูทั้งหกช่องเอามาถึงห้องในที่นอนของเราแล้วโจนแต้โชนด้วยกล้าชนด้วยปัญญาแต่ไขปัญหามไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ที่จุดนี้เป็นจุดสำคัญแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเอาไปชิ้นหมด ไม่เคยปฏิบัติสุดนี้เลยหัใจจะกล้องโดยจงกรมกล้องท้องหน่อยกหนออย่างเดียวเ ต, ติมไปไม่ได้ไม่คอบสติปัญญาตัวปฏิบัติงายในข้อจิตใจนิปัญนาสติปัญญาสุดท่ อ, อนี้เป็นข้ออิงคืนหน้าที่การงานที่ท ต, ต้องรับผิดชอบยืมก่อนกําหนดเสียงหนอเสียงหนอถ้ากําหนดไม่ทันมันเลยจะอดีตไปแล้วไม่เคยเข้ามานันจิตใจเกิโจด ก่อตัวที่มาทันทีทําอย่างไรจะไปเสียงหน่อยอีกไม่ได้ก็กำหนดตัวสำบัญญะกำหนดที่ไหนปัญหาเกิดขึ้นกำหนดที่ลืุ่มปีบางทีไปสอนไม่เหมือนกันใช่ไหมหลับหูหลับตาว่าทรงเดชไปเลยมันจะถูกจุดยังไงกดเทื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกกดไม่ถูกจุดแล้วมันจะออกมาตามที่เราต้องการไม่ได้นี่สำคัญผู้ปฏิบัติเน้นในข้อนี้ให้มาก ต้องกดทีลิ้นเตือแต่อาจาทีบายอย่างไรนั้นจะไม่อธิบายทีน่นี่ขอให้ชัยโง่ไว้ก่อนอย่าไปฉลาดตอนทําปฏิบั tn ี้เดี๋ยวจะไปชี้เงรพอขึ้นมาเป็นอะไรของกลอมไปนะจะได้ของไม่จริงไปอย่างนี้นกันตอนอาหากว่าเรามันมันเลยไป็นอดีตแล้วพร้อมโหลดที่ย่างเยอะชุดรู้ไว้ก่อนรู้ว่าอะไรก็ยังบอกไม่ได้ทําไมจะรู้จึิง ทุกข si um ์สิ่ก็กำหนดาะนั้นก็ทิ้งตีหาใจโยยาหายใจยังไงดังองไปสอนในทุกตั้งตั้งกติไว้ทิ้งตีโดยลมหายใจใส่อหมู่ถึงกระเดือแล้วก็ตั้งกติไว้ทิ้งตีหายใจโยยารู้หนอรู้หนอ มันเลยไปแล้วกปอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ต้องกำหนดตัวลู้อย่างนี้เป็กฎรับรองโดยผลเ น, น่รู้หนอะ อ, อรู้แล้วใครโกรธไม่ทาไหมใครโกรธรูปนามนี้ได้โกรธใช่ตัวโกรธ อ, อย่างไงตัวโกรธดยูที่คนโน้นเราทําให้เราโกรธตัวโกรธไม่อยู่ที่คนโน้นมันอยู่ที่เรา ดูที่เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเราเกิดความโกรธเข้าไว้ท่าจะมีแต่ความเป็นพ่อมีแต่จิตเล่าหมองายตลอดเรื่ว่าท่านจะไปประชื่อไม่มีปัญญาเป็นผู้แก้ปัญหาไม่ได้เลยก็สร้างปัญหาด้วยโทสะสร้างปัญหาด้วยถูกเว้นสร้างปัญหาด้วยผูกกยาบาทน้อยไปรู้สุกละนี่ท่านจะต้องสร้างปัญหาแน่อย่างนี้เป็นต้น การปฏิบัติเป็นการแก้ปัญหาเนยไม่ใช่สร้างปัญหาเหมือนเพื่อนเข้าใจกันแล้วมีปัญญาเนี่ยมันจะเห็นนอนเห็นเหนือเห็นใต้เห็นอารมณ์เราดูอารมณ์จิตของเราดูจิตใจของเราจังหาอย่างนี้กะช็อตให้ก็นหมดอย่างนี้อย่างนี้สำคัญมากบางคนไปสอนก็ไม่ถูกโกรธหนอโกรธหน่อแล้วจะเอาจุดจังปู่ไหนเอาท้อิไง้ายจึงไหนปาจุด ไ, ไม่ถูกเลย กดเชื่มอมคอมพิวเตอร์ทึศใครกดตุมไม่ถูกเลยมันก็ออกมาแบบอย่างนั้นเองก็ะวางจิตได้จริงใหนก็ไม่รู้นี่สำคัญนะไอเห็นหนออย่าเลินนะตรงกระแสจิตกำลที่หนับพามาจะหลับปูหลับตาว่ากระซองใครยังหนอคำนองนี้จะไม่จะพ้นดังที่กล่าวานี้ข้าท่านทำอย่างที่ประมานแนบเหนียวรับรองได้ผลทุกคนสาคัญไม่ตัวปฏิบัติไม่ทำ มันจะเป็นกิจกรรมได้อย่างไรแล้วมีเห็นหนอก็ต้งส่งก็แสจิตจากหนาผากออกไปเพราะว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ทุกคนความรู้สึกจะมารวมอยู่ที่หนาผากหมดเรียกแล้วผาช้าเจ็บะทะลุหนูเรียกแล้วจะมือแข็งนะที่หนาภากนะอาจารยนี่แม่สายทีบาดแล้วจิขั้นสูงก็จะเห็นเองก็ดูหน้าคนอดูตรงไหน ดูตรงไหนอ่ะหงวเฮี้ยงมันอยู่ตรงไหนอย่าเลืมตัวก็วอุตผ่มาพูดหลายครั้งยังไม่มีใครจีบปัญหาได้เลยอ้นนลโอมมาประชายจะเจตมาเป็นการส่งกระษสสุที่ดีมากในศูนย์ ส, ส, ส, ส, ส, สมาทินี่นายจะเกิดปัญญาได้ตั้หแับตัวตอนบุคคลปฏิบัติไม่ใช่มานั่งเห็นวิมกถามกันไม่พักเลยหลวงพ่อฮะ ถ้ามีมึนตอย่างนี้ฝันอย่างนี้จะได้การไหลไม่ต้องมัดถามเนียฝันปลอมก็ดีเกิดอุปาทานยึดมั่นกับฝันได้เกิดโสดก็มาฝันได้เรี่ยงร้ายตอลอดเลยการลองรู้นะถ้าจิตทั้นโสดถูก พ, พยาบาทเกินจะฝันรล่ไล่จะฝันหนึน่งอนลบพุ่งชิงชัไยไม่พักเพราะจิตขั้นโส ด, ดออกมาเป็นความฝันได้เป็นมึนเมตที่เลวร้ยรายได้ถ้าจิตมันไม่ดี ขจิ ด, ดีมือสติดีข้าฝันต้องเที่อเลื่องจริงได้ฝันนี่ไปเลื่ยงจริงถ้าเราจิดมันเกลื้องจึิงฝันเกลื้องเคื้องจิตมันปลอมจริงฝันปลอมออกมาอย่างนี้พอคนมาถามนะบางทีอาจารย์ขอบรมเห็นอะไรอย่างเห็นนอนเห็นนี้ไม่ต้องไปถามเขาอย่างนั้นถามว่ากําหนดหรือเปล่าเวิชนาเนี่ยเกิดขึ้นกําหนดเป็นอย่างไรตอนถามอย่างนี้จะถูกต้องมากกว่า ไม่อยาถามหรืออะไรไปแม ว, วเขาทามายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นซ้อน ม, มีมีความหมายในการปฏิบัติมากเพราะฉะนั้นปักจุดให้ถูกปักให้มันถูกกดตลมให้มันถูกเหมือนท่านทั้งหลายคลิปเล็บนิ้วเทียมคลิปเล็ลองกดถึ ก, ถกมันก็ออกมาเถิด้ากดถูกแต่ไฟฟ้าทันหมดแต่มาที่ไม่มีเลยกดยังไงมันก็ไม่ออกมาตาม ร, รูปแบบนั้น ต้อง ม, สมีสมาธิสมาธิที่จับจุดงานที่เราไม่วางธุระหรือการกำหนดจุดให้อยู่ในจุดเดียวกันอย่างนี้กระแสไฟพอกระแสไฟมันบกคล้องไฟไฟไม่ได้กำหนดกดมาถึงตรงนั้นแต่ด้ท่อดเครื่อง เ, อเขาไม่ดีไม่ได้เครื่อนเขาดีแต่ระบบไฟไม่ดีคือไม่มีสมาธิอยู่นั่นเองนี่มีความหมายอย่างนั้นเรื่องกาจับตุดให้ถูกอย่างนี้เป็นต้น หากว่าเราไม่รู้จะกําหนดอย่างไรไม่รู้เลยว่าจะกําหนดอย่างไงก็เอาความรู้ม า, ก, ก, ก, ม า, ออ ก, ากํบบาหนดถือลิ้นตีคิดไม่ออกเลยทำอย่างไรก็ทำอบบเดิมมาแต่อดีไปแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะบอกได้อย่างไรก็ทบทวนทบทวนทบทวนอ้านขานว่าทบทวนดูหนังสือก็ต้องไปดูซ้ำเดี๋ยวก็ทบทวนหนัททนนงสือ ถ้ครอบชวนอารมณ์ก็ต้องไปกําหนดอย่างนี้หายใจยาวๆนั่งข่าสบายหรือทุงไหนก็ตามอยู่บนรถกระดะคบชวนชีวิตคบชวนอารมณ์ว่าลมลืมอะไรไปบ้างเก็บของวางไว้ที่ไหนตั้งหรือแลืมเลยจะหายใจยาวๆมีประโยชน์มากการสติไว้ชีวิตไปเองดวงหาภัยเรียกว่าเจริญ ห า, ายหาชายเยอะกระเถดอยู่ที่ลิ้นฟฤิธีปฏิบัติฤิธีปฏิบัติอยู่ตรงนี้เลอดทรงไม่มรนถูกห อ, อยละได้หรืออย่างนี้กัน เ, นเนจาะหายใจยาวๆคลิดหนอคิดหนอให้ใจหยุดลึยาวเข้าวเพราะทางปัญญาโตกหมูกของเราถึงจะเดืนงหลาีปัญญาการยาวไม่เท่ากันอย่างนี้ อือกระโทษเนินถ้ามีกระแสไฟช็อบคือสมาธิดีหลักฐานดีจกบหน่วยคิดแล้วเด้มาพร้อมไปเร้อยะเกียบมาทันทีคิดออกแล้วคิดอะไรออกคิดคิดแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จาวิชาข้อไหนมาแก้ปัญญามันก็ออกบอมบอกเราเป็นเชื่องคอมพิเตอร์ตออกมาแสดงอย่างนี้แล้วเอาไปใช้เอะ ได้ประโยชน์มากคิดออกแน่คลิออกแน่นอนของใครของมันต้องทำขึ้นมาปีปัญญากองทำให้มันถูกจุดนี้เป็นก็อมีความหมายบ้าวยืนหนอห้าครั้งขอให้คณะอาจารย์แม่นี่ยวถูกเลือดไอ้ยืนหนอ5้าครั้งเนี่ยทุกคนไม่าาระจายตาจาบรรยากาศกรรมฐานฐานเดินกะแต่มนุษย์ยเกิดมาจากครบพาของมารดาแล้วมีนะครับ เกษสาโลมานะัทาทันตาตาโจตาโจทันตานะขามาเกษายนิ่ครับทุกทีกำหนดทำอย่างไรปัญนาเกิดขึ้นก็ให้ผู้ปฏิบัติยืนเยืนกอนแล้วยังมาจองพิถีพาถาวิ่ก็ลมไปเยืนธรรมดายันธรรมดากะมือไทยหลังก็ได้ทกวกองวาดมนโนภาพว่าเราเยืนรูกล่างอย่างนี้เป็นมนโนภาพ พาสูงกลางเลยพาสูงกลางไปถึงสายท้ายก็เริ่มก้อนว่ายืนจากสะกดที่สเดยยืนถึงจดีแหละสติตามทานไหมนี่ทานตอขอสติตามานยืนยืนตามดไปถึงถง หนอจากกระดูาไปปลายเท้านี่วิธีจังหวัะที่แน่นอนกติกากลามติดลงไปจนปลายเทา้าได้จังวะไม่ใช่หลับตาแล้วเดินเนาะเนเนาะเนเนาะเนเนาะเนเนาไม่ได้เลื่องเลยไม่ได้เรื่องพาถึงกลางเ้าสบองศานี่นี่ก็คือเรื่องต่าได้แต่ปลายผมลงไปเรื่องบนนอกรากปลายเท้าขึ้นมาอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติทำอย่างไรขอจะ ไ, ไม่ถูกจดนี้เลย ยืนมโนภาพจิกก็ผ่านจากขมอมนุ่งไปก็ติดตามก็คือพวกขนจิตยืนถึงก็ดีละอ๋อก็ติดตามทันวัดสองหนลงกลายเท้าได้จังหวะพอดีเลยลองดูนะแล้วก็สมรวมกลายเท้าขึ้นมาบนที่จาว um ัดสองยืนด well in ูท้างสอง ทางด้านตาอยากมีปัจจุายืนถึงจะเดือจบโหนกระกติการทานไม่ทานนอจากจะเดินขึ้นมาถึงกระหม่อมพอดีนี่ได้จังหวะถ้าทาอะไรผิดจังหวะใช้ไม่ได้ไม่ได้พนบังขนจ่อยหลับตายือนนอยือนนอยือนนอยือนนออะไรยืนปากพูดปากําหนดจิดไม่รู้กติไม่มี อย่างนี้ใคร ม, ม่ได้ไม่ได้ผลนเลยหมื่นก็เสร็จขอเจริญพรอย่างนั้นลักสองยื น, นถึงก็ดูแหละขอสติาตามไม่ทันเท่าแล้วจิตมันไวมากเอาใหม่กำหนดใหม่เช่ได้ไหมได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เป็นไรแ้มรวมใหม่จลับสายเช้าคุณมาหลับตามโนภาค สาบสายเา้าถึงจะเดินเดินขึ้นมาเอาชิขึ้นมาทบทวนเรียกว่าปัติโลมโมโลมปัติโลเป็นต้นทบรวนถึงจะดินแล้วผ่าสูนกลางขึ้นมาเลยผ่าลิ้นตีกันนะเดินเนาะถ้าท่านมืสมาธิดีนะก็าตรีดีนะมันจะกล้าดไปทางตายยาวัวทางตายาวนี้ก็ที่ไหนกำมือก็ตีครบทั้งกาย ต้องรู้จุดมุ่งหมายของมันด้วยพอไปสอนก็นให้ศึกก็ปัญญาเกิดจะรู้สักว่าคําว่ากายานุ ป, ษษปัสนาไปอย่างมันจะแจ้งสติมือทับในด้านกายในกายนี้กายภายในก็คืออารมณ์กายภายนอกก็คือสภาวะการเป็นลูกสภาวะกาเป็นนามธรรมก็อยู่ในภายในตัวกําำนดมันจะกล้าออกมามีสมาธิภาวนา เห็นชัดในรูปแบบออกมาในรูปล่ลางของมันคือรูปธรรมนา ม, มาทำชัดอย่างนี้ห้าครั้งที่ห้าสารวมที่ขอมอโมโนภาพสถือแกวและห้าครั้งสถือ ก, ก็ตามจึดอาศัยกันได้โดยเจตคีิลิ้นตือตัวอยากเป็นตัวเจตคุิจจตเป็นตัวที่ดำเนินา คิ้นห่านอารมณ์ต่างๆได้อยู่ทุกทดมันก็ลงไปอีกห น, นอะถึงปลายเท้าลืมตาด้ดูปลายเท้าต่อไปรวมที่ปลายเท้าและกำหนขวายางหนอะเตม็มก้อนขวาทีไรที่ก็ทืระลึกก่อนมีขวาซ้าย ยางเป็นตัวสำคัญยักระรู้ว่ายางยาวก้านไส้ไหนอลงพื้นพอดีเห็นใช่ไหมัดไม้ทําให้ได้จังหวะถ้าไม่เด็จังหวะเหมือนเราขึ้นบันไดคือจังหวปะปกติไงไม่เดือด้อนอย่างที่กล่าวนี่สําคัญมากนี่ อ, อย่างนี้ขณะที่เดินจก้อมมืเสียงอะไรมากำหนดละเสียงหนอขณะเดินจกจอมมีเวชนาปวดเมื่อยเป็นพอยุดเดิน หยุดเดิเลยยืนเฉยแต่กหนดเวทนาไปเอาสภาว่าไปจริงมาแสดงออกว่ามาันปวดมากน้อยเพียงใดต้องการอย่างนั้นไม่เดี๋ยวกำหนดหายกาหนดต้องการจะให้ลูกมันปวดขนาดไหนเวทนานี่ทําให้ลูกอดแข็งตามได้เราจะลูกอดเข็งตามว่าทำอะไรได้ยังไม่ทราบได้อยู่ที่ตัวเวทนานะเราเขาได้รู้อ่ะอันนี้จะไมาา่อธิบายเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์ เดี๋ยวกันด้วยตัเองเอาด้วยตัเองนี่ไม่ได้ต้องเป็นูดเองต้งเกื้อใจเองในจิตใจขั้งกรอย่างนี้เป็นก้อนหนึ่งวิถีชั้นแล้วก็ใช้ยาหมอผู้ปฏิบัติต้องเพ่งหลงที่รลายท่าไม่ใชักาเดินไม่ใ่แง้มดูตาฟ้าแล้วหลับตาไม่ดูเลือดต้องเพ่งหลงที่ปลายเท้าดูท้งูกตาว่าโลภน้ำมันเคลื่อนอย่างไร ชวนทำงานการแล้วก็ไม่กองกาหนดอย่างนั้นก็ได้มันจะเดินไปถึงจังหวะของมันเองตืต่นอ่ะอย่างนี้เป็นการแบบปิดขณะที่เดินเช็อับเช็ดยอศ อ, อย่าเดินเอาที่ละ อ, อย่างกาหนดที่ลุ้นตีอีกแล้วหายใจยาวๆําลังยืนเดินจะกลบเชกหนอมันจะเช็ดเอาเอาเหยื่อผลมามาตั้งบวกลบคูณหารแต่สามนับ คิดนอคิดหนอไอ้ฟุ้งซานคืไปคิดนั่นเดียวความเพิ่มจะไปหยอกค่ะถูกก้องอ๋อไปคิดเลี่ยมหรือไหลรู้แล้วเข้าใจแล้วถูกกล้องแล้วเดินจงกต่อไปขวาย่างหนอยช้าอย่างหนอเดินให้ชาที่สุดพระจุดมันเร็วมากจุดมันไวเหลือเกินทําให้เทียงลง ทำให้คุ้นเคยฆ่าเพื่อไว้เสียเพื่อได้กองสาข้อ น, นี้ไว้สั่นๆเท่านั้นเองนี่เวตนาเพื่อช่วยก็กำหนดคิดออกก็กําหนดพุ่งสารออกก็กําหนดกําหนดทีื่ออย่างยาวหลายอย่างมาผลการประเรปกะปะใช่ไม่ได้เลยก็รู้กระเรปกะปะไปโดยทํานองนี้เป็นตอน่องต้องรู้รจึงรู้แจ้งเห็นจึงเห็นแจ้งเห็ น, หนไม่ใจเห็นอารมณ์อย่างอย่างนี้จะถูกต้องมาก นีนนะ่อย่าลืมหนอนนะย่าลืมนะขอกาหนดให้ได้แล้วก็เดินจงกรอมเถิดง้างภาวนาไอว้วาพองหนอยุบหนอนีเนเน่เป็นการสร้างเครื่องพรอมพีเกอร์สร้างสมาธิยักสิ่งวัดล้อมจากศิษยานุปัชนาปิศาจเป็สิ่งที่มาของจิตเป็สิ่งที่มาของอายุนราธาบินทร์เปสิ่งที่มาของฐานห้าลูกนามเป็นอารมณ์ท่องรู้อย่างนี้เป็นอย่างแต่ละอย่างไปไม่ใช่กาหนดจนใหญ่เลย กำหนดยากกำหนดโน่นกำหนดนี่มันจะมากไปเอาใจน้อยก่อนพรอเดี๋ยวก็จะอากำหนดไม่ได้เอาตัวอย่างตัวอย่างไยเดี๋ยวก็ได้ดีเองแล้วค่อยกำหนดต้นจุดทีหลังก้อนจุดคือตัวอยากอยากหยุดหนออยากหยุดหน้อนี่ก้นจุดคุณเจจะคึกเอาไว้ทีหลังกอดเป็นกอดไปก่อนแล้ว่อยดํามกึกให้มันได้ขั้นตอนให้มัได้จังหวะก่อนแล้วค่อยกำหนดละเอียดทีหลัง ถ้าเรากำหนดละเอียดเลยขั้นตอนไม่ได้ก็เป็นผูธธ้ปัสสนุกเลยก็ท้องยุค ก, ก็ไม่ได้เวลานั่งสมาธิเดินมงกรมเสร็จแล้วท่านอย่าไปทํางานอื่นทําให้ติดต่อกันเหมือนล่อขึ้นได้ออกจากลูกล่อเยอขาดทำให้มันติดต่อไปนั่งสมาธิจะภาตมาสองชั้นก็ได้ชั้นเดียวก็ได้หรือสองชั้นภาสมาเท็จก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่เดือดรังพับแต่ประการใด มือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้ายาวๆก่อนอย่าเพิ่มกำ o ังกองยุบหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วสังเกตท้องหายใจเข้าท้องจะคองหายใจออกท้องจะยุบไม่เวนเอามือจับดูเอามือคลำที่สะดือลไปที่ในผ้าของเราแล้วหายใจยาวๆ พองพองแล้วก็บอกว่าพองหนอยบหนอให้ใจจังหวะใหม่ๆอื่นอักมากเพราะเราไม่เคยกองทาให้ได้ไม่ใจ้องหนอยบหนอเอาเะปากเนาะจิตใจทําไม่ได้อย่างนี้มันอยู่ที่จุดนี้กองทําไม่ได้บอกคนนี้นี่จังกอดีิลิเจนีมันมากไปมากเลี่ยงเอานี่ก่อนเนะอันนี้ก่อนเราให้ใจเข้ายาวๆ้องพองพองหนอพองไม่ั้นหนอยบ ยกแล้วมาชันหนอทองตุบยาวิธีปฏิบัติท่านยังไงซีคิก้าทองเพลเพื้อนเช็คลองดูทองแล้วก็หนอสะเพื่อนหนึ่งทองสะเพื่อนหนึงลองดูสำหรับตัวลายทุกคนถ้าทองขึ้นไม่ได้หนอไม่ได้เอาใหม่เปลียนใหม่ได้เปลี่ยนยังไงทองหนอไปเลยยกและลงหนอยาวไปเลยเดี๋ยวท่านจะทําได้ไม่ขาดช่องไม่ยินาดแน่ไม่มายืดยอมเป็นธรรมดา ถ้านั่งไม่เห็นมือขาไม่ได้นอนลงไปเลยนอนเหยียดยาวนอนหงายไปเลยเอามือประสานท้องหายใจใหา่ๆแล้วก็ว่าตามมือนี้ไปทองหนอนยบหนอนให้คลองพอคล้อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องแล้วไปเดินจะกลมมานั่งหมายเดี๋ยวท่านจะชัดเืนมีวิธีแก่วิธีไขวิธีปฏิบัติให้ได้จังหวะอย่างนี้ประกอบมีมีความหมายเยอะเกินถ้าท่านโปรด กำหนดเลยไหม้าพันรู้สึกอยากได้ก็กำหนดเลยรู้สึกเสียใจก็กำหนดเลยเป็วิธีแก้ปัจจบันวิธีการแก้ปัญหาติตใจปลูกพยบาทใช้ก็ต้องกำหนดอย่นี้อย่าปล่อยมนข้างเคียปล่อยมันเลยไปเขาถึงจิตใจเหมือนโจรเข้าไปในห้องไหนฉะนั้นมันก็ช่วยเราได้เราก็ต้องยอมจำนวนมาโดยที่นี้กป็นกฏ โปรธแล้วก็แต er ่ปัญหาดู๋ยวนี้อย่าไปปัดไว้จแก้ถงนี้โขรข้ามโอยก็ไหวข้าให้ใจเ้าหมองก็หลอดจริงอย่งลูกจริงไม่ได้นาะไม่หลับเสียเวลามากถึต้องแต่อดี๋นี้โกรดหนอโกรดหนอะหรีปักจิตไว้ทีลิ้นเตือนก็ตีรวมไว้แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์มันจะออกมาอ๋อไปโกรธก็จะไม่ไล่มันจะบอกเขาอย่างนี้ใครบอกอารมณ์เราบอกจิตบอกก็ตีบอก ปัญญาบอกกระโหกเหลือปัญญาบอกเราจะรู้แจ้งถึงจริงเลยเพราะว่าปัญญาบอกกันเหมือนยาตัวเราบอกเองเดียวคนอื่นมาบอกเราเราสอนตัวเองดีกว่าคนอื่นมาสอนเรานี่มันจะเห็นแจ้งชัดเจนมากโดยโอกาสนี้นี่กำหนดอย่งนี้กําหนดเวชนาถ้าหากว่าของหนอยุดหนอเกิดเวชนายุดของยุดมาเอาจิตปักไว้ที่เวชนาเอาสติตา ไปดูที่มาตรวจแค่ไหนมันจะมากน้อยเทียมใดไม่ใช่กำหนดปวดน้อยจะหายเลยมันจะหายมันยังไม่หายมันยังไม่เป็นวิปัสสนาจะาเป็นธรรมชามันยังมีอุป า, าทานยึดเวทนาอยู่เหมือนท่านทั้งหลายเป็นไข้เขาจุดไปเกาะที่ไข้จุดท่านก็เป็นไข้ไปด้วยอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายโกรธายัางแยากุกข์น้ํายังไม่ออกอยากเวทนาไม่ออกก็ต้องยึดอย่างนี้ก่อนพอยึดปวดเนอะ อ้่งปวดหนักเอาหนักตายตายปวดหนอหนักจะแตกแล้วจะแตกแล้วทนไม่ไหวแน่คนนี้จะล้อนดินไปแน้หนามแทงก้นแน่ทนไม่ไหวแน่ตายให้ตายกหนอดไปกหนอดไปสมาธิดีสติดีให้เวทนาเกิดขึ้นจับตาดับไปก้าหมายวัดติดจ้านี่แยกเวทนาได้แยกรูปแยกนามได้ใช้ได้ แต่ในมาที่ยังแยกในออกมันยังกอดจนอยู่มันยังปวดไม่รู้จักหายขอให้ท่านอุทธรตึกฝนในอารมณ์นี้ได้แต่จะะนั้นการเจ็บเลยไว้ป่วยไข้จนจะแยกยิ่งย้ายเอาตึกออกเทือกับป่วยตึกไม่ป่วยไม่เป็นไรนะทั้งท่านตึกไปป่วยเชด้วยเลยก็หมดทั้งตายท้งไกลหมดอะไรจะอยากอยู่จนจุดนี้อันนี้เป็นเรื่องสันทันมากความสงบอย่างนี้เนี่ยมีความหมายขอท่านงวอ ง่วงนอเลอเกินง่วงเลอเกินถ้ากาหนดง่วงนอนง่วงนอจะปากหายไม่ได้ทำไงล่ะจะกาหนดได้กำหนยังไงจะไม่ง่วงกำหนดยังไงเอาเศษวัโอนนล้อมมาไป็เช้าจะเก้อง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอกํารวมเศษวป็หมเ่เฮง รับรองหายง่วงแต่ถึกนี่ต้องวางให้มันถูกเรื่องกันสิไม่ใช่ําหนดแค่ปากนะแต่แก้ปัญหาไม่ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับก็สมาธิดีนะแต่ไม่ด้วยเหตุอันใดไม่ทราบมานอนไม่หลับหมายจะยาวๆนอนลงนไปหมายถึงว่าหน่วยจึกดีแล้วกระผมวิญญาณมากแนละ้วหลับทันทีนะเอาวางจินไว้ที่ไหน ขอต้มไงขอจิตว้ที่ล you know ูกก็เดือดขอสติว่าที่ลูกก็เดือกดหายใจยาวๆห้ใจยาวๆเอาจิตว่ลูกก็เดือกที่ขืนน้ำลายกลางสติไว้เดี๋ยวท่านจะหลับถอยไปเลยหลับเดี๋ยวนี้สติด้วยทิกตัวถี่ช้างรูหมดเลยไงอย่างนี้เป็นซ้อนแล้วผู้ปฏิบัติเดินก็ทําได้เดินก็ทําได้ทําได้นอนก็ทําได้นอนทําอย่างไร น้านั่งไม่ทนก็นอนลงไปทั้งคันอย่านอนหลับนอนกําหนดท้องหนอยุบหนอท้องหนอยุบหนอถ้าท่านนี้ก็ติดดื้อสมาธิดีปัญญาเกิดท่าจะหลับโูบลงไฟทางท้องยกบจับให้ได้ถ้าจับหลับได้แล้วรับรองท่านจะทิ้งตัวกิจการจะเกินเวลาไหนได้ตามเหมาะสม กระเดินตีสุดถึงตีสุดจะรุ่งขึ้นมากระเดินกันทีแต่ปัญหามืออันเดียวตีนั่นกระลุกหรือเปล่าจะลุกขึ้นมาหรือเปล่ากระเดินะแต่ถ้าไม่ลุกใครจะนอนต่อนี่มันมีปัญหาเหมือนกันแล้นการเคยจิงอย่างนี้นี่ก้องวางศกให้มันถูกนะขอเรียนพระอาจารย์และเรียนคณะอาจารย์ยิ้มถ่ายด้่ยขอให้ถูกศกนี่ให้เหมือนกันนี่วางปมนี่รับรองได้ เห็นหนอเห็นหนอถ้าเราเดินหนอได้รู้จากตามว่าอารมณ์ของเราในตัวเราจากลายท้าขึ้นมาจากลายผมยงไปเนี่ยห้ครั้งเห็นหนอมันก็เห็นตั้งแต่ลายผมยุงไปลายข้าวายท้าวผมยุเห็นคนอื่นก็ไม่เห็นตัวหลักแล้วก็ูว่าคนนี้มีไก่เปนอย่างไรทัานพี่ขอให้ส่งกระแสจิตออกที่หูเพร่อส่งกระแสจิตไปวางคิ่วทั้งสองข้าง มองเอไปเห็นหอ๋อเห็นอย่างไรเห็นด้วยปัญญาคนนี้เราเกิดสัมผัสกับคนนี้ขึ้นมาคืเห็นหอ๋อเห็นลูกเห็นมาคนนี้เดินก็มาแล้วพร้อมที่ก้จะตีออกมาเลยว่าคนนี้เทปนะว่านึกใสไม่ดีสัมผัสแล้วเกิด ส, สติปัญญาเปนทีคนนี้เดินก็มามาทำไมอ๋อทราบแล้วก็ตีกระจังบอกให้เราเข้าใจ สามัญญะจะรู้ตัวเราคือปัญญาตัวเดียวคนนี้เข้ามาจะขอยืมเงินรู้แหละปัญญาตัวรู้จะผลักดันให้ชอมพิเตอร์เทียมาอย่างให้ยืมออกมาแล้วตอนยันหน้าประตูบ้านเปนมืตอนกู้เป็นะตะกูตอนทวงอย่าให้โปรดจะในวันนี้วันเดียวก็นัน้นนี่มันมีประโยชน์ไหมเนี่ยสองครั้งทำไมได้ปฏิบัติกันนอกคือนอกศาลเขาเยอะยะ เลยรู้ไม่จรงอย่างนี้นะรู้ไม่จรงบอกคนนั่งขงแล้วโงอกไปโงอกมาโงอกมางอ ก, กไปสมาธิดื้อขาดก็ตืบอกคนบอกยานมาแล้วโยบลงไปแล้วใจฉันเนี่ยโสดเลยอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่นไงสมาธิดี้าดก็ติ่ใช้ไม่ได้ไม่มีสติเลยนะนั่นงงอกไปงอกมาขอกาหนดรู้เนอะรู้หนอะ รู้เนาะอ๋อรู้แล้วไม่งอกเลยยมทั้งหลายจะเห็นคนในรถยดนั่งหลับงอกไปงอกมาถ้านั่งมีอสติทำได้ญค่ดีจะไม่งอกจะหลับอย่างสบายจะไม่ไหวตึงกับาการทั้งปวงไม่เห็นทัดตอที่งอกไปงอกมานั่งงูกไปงอกมาไม่ใช่ยานขึ้นไนงะยานตรงเตงมาแล้วขาดสติมากเอาทำไงจะหายงอก ก็กำหนดเสี้ยงงกหนอหรือเอาลูหนอก็ได้ทำมันไม่หายกดเจ็ตไว้จิตใจสะดือของหูกวหนีวิธีตรแก่กดไปลงอายุหายใจสะดือของหิ้วกำหนดลูหนอเดี๋ยวหายงอกทันทีไงงอ้งกงบหนีหายเลยจับสุดได้ถึงนี้ในตมาก็ต้องเขียนเรื่องตำราคู่มือแล้ว บางคนเนี่ยจะได้มีวิทวิชาการสอบปรมหรือคืปฏิบัติสอบประลมด้วยไม่ยอมไปสอนไม่ส่งเดชแล้วปฏิบัติไม่ถูกจทมันก็มาเดือดร้อนเหมือนเราไปกอดเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดผิดลมเอาไปขูดมันพึบไม่มีข้อมูลเพราะการเจริญวิปัสสน า, า ก, การเดินจงกรมการนั่งภาวนานี่เป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เธอทบทวนอารมณ์จุดให้เข้าข้อที่มีปัญญาแล้วอยู่ในเทื่องคอมพอิวเตอร์ของเราเพราะถึงเวลาเคือกคอมพอิวเตอร์มันก็มม ต, ตีอยวมาแก้ปัญหาอย่างเองของไทยของมันเครื่องไทยเรื่อง ม, มันนะมันจะเหมือนกันอย่างไรละของไทยของมันข้อมูลนี่การเดินจงกรมเป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพอิวเตอร์เป็นการสร้างคุนที่เล่นลับ ที่จะกระจายซื้อให้แตกผายกันได้และข้อมูลจะเก็บไวใ้ในการเดินตรงกรมการนั่งภาวนาแต่เราก็ไม่สาบ ว, ว่าปัญญามีได้หรือไม่เป็นการเก็บข้อมูลสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างข้อมูลไว้ในเครื่องถึงเวลาแล้วมีข้อมูลครบเราจะกดสมไหนมันก็ออกมาก้า่สมนี้เป็นสมที่จะแก้ปัญหา ถึงมีทุกข์มียากมีลำบากขึ้นมาคอมพิวเตอร์จะตีไปตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติไม่ต้องก้าหนวดก็ได้เพราะเราจิดถึงขั้นแล้วดานถึงเพื่อทำความดีถึงขันน้นแล้วมันจะตีออกมาเองในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มันจะบอกเลยว่าเราจะเดินทางไปไหนจะมีความสะดวกสบายเพกยงไดคอมพิวเตอร์จะตีออกมาว่าเบอร์ทางให้ระมัดระวังจะต้องมีปัญหาระหว่างทาง เราก็เริ่มสร้างความไม่ระมาดระว่างทางถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมันก็น้อยอย่างปเพราะไทยเราเคอยระมัดระวังไว้มือระโยน์มีการเจริญมีปััษนาลึเกินบางคนไม่ส อ, อนถิดจุดจะหมดขอให้ผู้ปฏิบัติทม ท, ทำจุดนี้อทั้งหลายจะดูได้อุณลมมานะปากนี้ดูคอเห็นหนอไม่ก้าใคร้าถ้า โดยที่ว่าเห็นคนอนอ้นอย่างไรอย่างไรไปสร้างนั้นชไม่ได้ต้องประสบการณ์เห็นอะไรก็ว่าอย่างนั้นมันเกิดประจําเปเราต้งองเห็นเราก็กําหนดทันทีไม่ใชเสือกออกไปเห็นเขาว่ากําหนดร ว, ว, วยกําหนดรวยกําหนดไรไม่ใช่นะีต้องประสบการณ์เฉพาะปัจจุบันนะร่าเท่านั้นอายเด็กแม่เอาอนาคตแม่เอาเท่านั้นปัจจุบนนันเป็นการสร้างเสริมข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วกดสุ่มไหนกลุ่มนั้นจะออกมาตามข้อมูลนะนั้นข้อมูลก็คืออะไรที่ปองได้แก่สติสัมปทัญญะครบถ้าสติสัมปชัญญะครบแล้วป้อนข้อมูลก็แสดงออกไป อ, ออกมาโดยจุดกล้องถ้าข้อมูลไม่ดีป้อนไม่ถูกอารมณ์เราไม่ดีก้อนถิกหมดออกมาผิดอย่าไปาข้อเครื่องคอมพิเตอร์ครับเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเป็นธรรมชาติแค่รับป้อนทิเดียวอารมณ์เราไม่ดี อย่างนี้เป็นก้อนแล้วออกมาเสียหายมากหลายอย่างที่กล่าวแล้วนะฮะเกาขอเจริญพรญาติพี่น้องผู้เข้ามาปฏิบัติ้วยเท้ทัดขออย่างเดียวอย่าคุยจันอย่ามนันสือนะังหาไปดูเอาให้มันรู้ให้แจ้งทัดโดยปัจจังด้วยตว น, น เ, อเองไอ้นักเกิดเองของเกิดเองนี่โดยธรรมชาติไม่มีอะไรวิเศยิโสอะไรเลยนะ้มันเกิดขึ้นมาในพุทเรียกว่าภาวนา เกิเองเนี่ยเป็นของที่จะต้องแจ้งถึงใจเราเอ ง, งและจิตใจเราก็ละได้พยศได้ละที่ผิมานะได้เพราะเราเห็นวิจัยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปัญญาแอมเล็ ก, กตักลงไปที่ภาวนาต้องอะไรทําเป็นคนง้ออย่าทำเป็นคนฉลาดขณะปฏิบัติอย่าประเมินผรอย่าวิจัยว่าอะไรเป็อะไรถนักวิชาการ ม, มากนักทำปฏิบัติไม่ได้ สมปรานาอย่างแน่นอนเอาโงโไ่ไว้ก่อนเก็บตำหลักตําราเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเอาตำลาที่อยู่ในจิตที่มันขาดการดูแลมานานขาดการควบคุมมานานและการดูแลนี้จะยากอยู่เพราะ่อยคือไปตามยถากรรมรอยตามตะหนึ่งตะบอลไปตามหงื่อทางจะใช้สติปัญญาแ ม, ม้แต่ห้าน า, า, าทียากขาดสติในหนึ่งปัญญาก็มาเกิดเชื่อมโดยวิธีนี้ ขอเจริญพรญาติพี่น้องผู้ใจทั้งสำมาปฏิบัติหน้าที่กามสายนี้รับรองว่าจะมีปัญญาพนมีปัญญาขยันไม่พักพนที่ขาดปัญญาจะไม่ขยันจะไม่ทํางานเรื่องคอมพิวเตอร์ก็อยู่เกิดกลางในชีวิตจิตใจทั้งปอนภายอะไรก็ผิดพลาดทําทอะไรย้อนเดาก็ถูกด้วยพาคะแนก็ผิดด้วยเพราะ การนี้เป็นการกําหนดเป็นการปฏิบัติเป็นการคาดชนื้อได้ถูกต้องเพราะอารมณ์พวกเราเคยสัมผัสวัตถีเข้าออกให้ถูกต้องเคยสัมผัสกับคนนี้เป็นอย่างนี้ไปสัมผัสกับคนอื่นอารมณ์อย่างนี้ก้องไปอย่างนี้อึดตามตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตา ย, ลยแล้วคลายทาี่ถกอจะถูข้อบประกอบพุทโธได้ผลนานเป็นหลักฐานต้งทำแน่นี่มันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ ไมรู้ที่ไปอ่านหนังสือได้มาไปวิชาการแต่เราก็ต้องเรียนเหมือนกันต้องรู้ไว้และการปฏิบัติทบทวนแล้วต่อมาดูวิชาการถ้าสนใจสนุกติดหัวใจท่านจะสามารถจะขยายความไปวิชาการได้ดีมากเสริมวิชาการสิ่งเพื่นดังที่ก่าวนี้พอที่จมาที่แจงเบื้องต้นมาก็ขอให้นักปฏิบททัติรรมกินน้อยนอนน้อย ทำความเพียรใหมากกินน้อยพูดน้อยด้วยนอนน้อยด้วยทําความเพียรใหม้ามากการจะได้ของจริงสุกจั่วไปอย่าทําของปลอมเพราะปลอมเนี่ยมันชอบสบายไอ้ของกิงเนี่ยคนไม่อยากได้เพราะมันทํายากของของต้องได้มันมีความลาบากของอดทนของเพกถอนมาใช้ของกินในห้องกรรมฐานเพราะใช้ชีวิตกินกัละตั้งแต่ปัจนี้ ที่แล้วอยู่บ้านเนี่ยสบายมันมากมมันเป็ของปลอมเป็นของที่ยั่ยุเป็นของที่ให้สบายแต่ความสบายนี่เป็นของปลอมความทุกข์ความยากความลาบากเป็นของจริงได้ทุกขนทุกได้มาจากทุกข์ยันได้มาจากที่เกลียดมันมีความที่เกลียดก่อนและเราขยันก็ได้มาจากที่เกลียดร่ำรวยสวยดีมันมีที่กได้มาจากความจนที่ไนนม้อะไรเลย เรามาสร้างมาทำเพื่นมันก็รวยมันก็สวยมันก็ดูมันก็ได้มีปัญญามีแหละท่านทั้งหลายเอ๋ยทำมาเกิดวุธมาจะความตกความตกที่แน่นอนมีที่ไหนได้ก็และนอกเหนือจากพระบรมโชคพระมีฐานความอยู่ในโลกมนุษย์นี้จะเทียวตอนหมดไม่มีของจริงเลยมีแต่ของปลอมยั่วยุมีแต่ของที่เป umm. ็นของเจ้า นี่เรามานั่งกรรมาฐานอาีเ้องกรรมาฐานมาใช้ข้งจริงกันแสดงออกของจริงทางนั้นแต่เราจะทนรู้ของจริงหรือไม่เป็นการใดเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายแต่ละลายไปขอฝากไว้อย่าหวังความสบายเล ย, ยความทุกข์ความยากเหมือนพระเอกเรื่องละครชีวิตนางเอกเรื่องละครชีวิตตั้งแต่เกิดมากระทั่งตายนะความสบยสบายไม่ได้เลยนั่นแหละท่านจะพบพบอุดมการ ังจากพบอุดมพระเทจะมีปัญญาสูงแน่นอนที่สุดจะมาที่แจงมาพอสึนแเพราะเป็งตือก็อาจจะมาสลอดมาไม่เคยเด็จพรกเดี๋ยวก็ขอโอกาสลงพระปฏิโมกในวันจารึกระโรสของพระพิสทโธงในโรงบวชนี้ขอความสุกสวัส ด, ดีจงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมจงงอกงามไพบูในจิจกร ภาคปฏิบัติทามทางของอุปสรรนะขอทุทอกท่านรีดเดินทางาผ่านภูลกกันดามเกาะกลางอศปสรร์ทั้งหลายถุนฝั่งฟ้าถือความเฉ็ีคือนิพทานโดยทั่วนาคันนาโอกาสบัดนี้เทิน